จิตไม่จัดว่าเป็นอะไรได้ไม่ว่ามนุษย์หรือจิตวิญญาณในชั้นภูมิต่างๆลงเข้าใจผิดเรื่องจิตกันว่าจิตเป็นดวงกลมๆเป็นก้อนกล ม, กลมๆใสๆมีแสงรัศมีส่องประกายรอบๆจริงๆแล้วจิตไม่ได้เป็นอะไรแบบนั้นจิตจริงๆนั้นไม่จัดว่าเป็นอะไรได้อยู่แล้วมันกว้างขวาง ไรขอบเขตไม่มีรูปร่างไม่มีความเป็นตัวเป็นตนไม่มีขนาดไม่มีปริมาณไรสภาพไรสภาวะแต่เมื่อเกิดการสนใจใส่ใจขึ้นมาเมื่อไหร่เกิดตัวเจตนาซ้อนเข้าไปเมื่อไหร่เกิดการเห็นผิดว่าเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเมื่อไหร่มันจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิด การรวมตัวเหมือนคลื่นพลังงานบางอย่างบูบเดียวมารวมกันเป็นจิตดวงแรกเป็นจิตประธานเป็นจิตแห่งความสนใจใส่ใจเป็นจิตที่หลงสำคัญมั่นหมายว่าคือตั ว, ค, ตวคือตนถ้าเป็นจิตแห่งความสนใจใส่ใจในสิ่งที่ดีที่พอใจมันจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดจิตอีกดวงหนึ่งขึ้นมาอยู่ข้าง มีสีสันต่างๆมีรัศมีต่างๆแต่ถ้าเป็นจิตแห่งความสนใจใส่ใจในสิ่งที่ไม่ดีไม่พอใจมันจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดจิตอีกดวงหนึ่งขึ้นมาอยู่ข้างๆมีสีสันมีรัศมีมองๆ ม, ม, มนๆเมนืม่อเกิดจิตดีขึ้นมาแล้ว มันจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดจิตอีกดวงหนึ่งขึ้นมาว่าอยากจะรักษาจิตแบบนี้ไว้หรืออยากจะค้นหาสแสวงหาจิตแบบนี้มาเพิ่มอีกมันก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดจิตอีกรอบๆดวงเล็กๆรอบๆจิตประธานนั้นอีกหลายๆดวงแต่ถ้าเกิดจิตที่รู้สึกไม่ดีไม่พอใจขึ้นมาเมื่อไหร่ มันจะเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้เกิดจิตอีกดวงหนึ่งขึ้นมามันเป็นจิตเพื่อต้องการหักล้างทำลายหรือกำจัดที่นี้มันก็จะเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้เกิดจิตอีกรอบๆดวงเล็กๆรอ บ, รอบๆจิตประธานนั้นอีกหลายๆดวงแล้วมันก็จะเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้เกิดจิตอื่นๆอีกมากมาย ที่เข้าไปกระทาเข้าไปพยายามเข้าไปต้องไปตั้งอีกเยอะแยะมากมายรอบๆลักษณะการเชื่อมต่อเป็นจิตแบบโน้นแบบนี้แล้วเราจะรู้สึกว่านี่มันอะไรหนักหนาที่อยู่ในใจมีความรู้สึกแบบนี้แบบนั้นมีสีแบบนี้แบบนั้นมันรู้สึกอึดอัดมันรู้สึกหนักอึง้งมันรู้สึกว่าเกินพอดี มันก็เลยเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความพยายามที่จะเข้าไปตัดเข้าไปดับจิต ท, ที่มันเยอะแยะมากมายเหล่านั้นจิตแห่งความโกรธเกิดขึ้นมาเอาจิตตัวนี้ไปดับจิตแห่งความเศร้าเกิดขึ้นมาเอาจิตตัวนั้นไปดับจิตแห่งความกังวลเกิดขึ้นมาเอาจิตตัวโน้นไปดับพยายามเข้าไปดับไปดับไปดับ แต่มันไม่เคยได้ดับตัวจิตประธานที่หลงสร้างขึ้นมาตอนแรกหรือจิตแห่งความสนใจใส่ใจหรือจิตที่หลงสำคัญมั่นหมายว่าคือตัวคือตนสักีคราวนี้จะดับตัวจิตประธานที่หลงสร้างขึ้นมาตอนแรกคือจิตแห่งความสนใจใส่ใจคือจิตที่หลงสำคัญมั่นหมายว่าคือตัวคือตนได้อย่างไรล่ะ โดยความจริงแท้โดยธรรมชาติดังเดิมที่หลงสร้างขึ้นมาว่าเป็นจิตนั้นมันก็ไม่ได้มีจิตอยู่ก่อนแล้วแค่หลงสร้างหลงสนใจใส่ใจหลงบัญญัติว่าเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเองแล้วดันหลงสร้างตัวพยายามคอยดับคอยดับคอยดับขึ้นมาเองซึ่งก็ไม่เคยดับมันได้สักทีทีนี้ จะดับจิตประธานได้อย่างไรละ่ะผมขอตอบว่าไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆทั้งสิ้นครับเพราะความเป็นจริงของทุกสรรพสิ่งในสากล น, นี้ย่อมมีความอานิจจังจิตทุกชนิดที่หลงสร้างหลงสนใจใส่ใจหลงบัญญัติว่าเป็นตัวเป็นตนมากมายขนาดไหนมันมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงมันย่อมตั้งอยู่ไม่ได้นาน มันย่อมดับไปเองของมันเองโดยธรรมดาธรรมชาติของมันจิตเยอะแยะมากมายดับไปเองตามธรรมดาธรรมชาติของมันมันก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้จิตประทานจิตแห่งความสนใจใส่ใจหรือจิตที่หลงบัญญัติว่ามันเป็นตัวเป็นตนก็จะดับตามไปด้วยทุกขณะขณะทุกนาทีทุกวินาทีแล้วคราวนี้โอกาสที่จะเกิด จิตดวงอื่นๆอีกมากมายก็จะหมดไปด้วยเมื่อทิ้งตัวสนใจใส่ใจเมื่อทิ้งตัวเจตนาซ้อนเพราะจิตไม่จัดว่าเป็นอะไรได้อยู่แล้วต่อให้เรียกชื่อว่าจิตเดิมแท้บ้างจิตประพัสซ้อนบ้างก่อนลงบัญญัติว่ามันคือจิตมันก็ไม่ได้เป็นอะไรอยู่ก่อนแล้วคราวนี้ การดับไปเองของมันเองของจิตทุกชนิดไม่ว่าจิตประทานจิตแห่งความสนใจใส่ใจจิตที่คอยดูคอยรู้โดยจิตที่หลงบัญญัติว่าเป็นตัวเป็นตนตขึ้นมานี้ดับไปเองโดยธรรมดาธรรมชาติของมันการดับไปเองของมันเองทุกขณะขณะทุกนาทีทุกวินาทีโดยไม่ใช้ความพยายามใดๆเข้าไปดับมันเนี้ยตรงนี้แหละ ที่เรียกว่าจิตว่างคือว่างจากการคอยบัญญัติว่าเป็นจิตแบบนี้แบบนั้นว่างจากความสนใจใส่ใจตรงนี้แหละที่เรียกว่าความว่างสุญญตาคือว่างจากการเห็นผิดว่าเป็นตัวเป็นตนตรงนี้แหละที่เรียกว่าวางอยู่แล้วคือวางจิตวางใจ ไม่เข้าไปอะไรกับอะไรกับสิ่งที่เรียกว่าจิตอีกมันก็จะวางของมันเองอัตโนมัติตรงนี้แหละที่เรียกว่าจบสมุทยัยหรือนิโรธทันทีคือจบเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ทันทีเพราะไร้ความสนใจใส่ใจไร้ตัวเจตนาเข้าไปไร้ตัวหลงบัญญัติว่าคือตัวคือตนเหตุของทุกข์ก็จะไม่มีอีกต่อไป ตรงนี้แหละที่เรียกว่านิพพานอยู่แล้วคือเมื่อปล่อยให้กระบวนการแห่งาธาตุขันทํางานอัตโนมัติอิสระของมันเองไม่คอยสร้างตัวเจตนาซ้อนเข้าไปให้เกิดจิตประเภทใดๆเข้าไปอีกมันก็จะอิสระทันทีมันก็จะนิพพานอยู่แล้วทันทีคราวนี้ก็จะมีคนสงสัยว่า พระอาหารหันต์ใช้จิตหรือไม่ขอเล่าเรื่องตอนที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้กันก่อนเมื่อท่านรู้เหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ภาษาบาลีเรียกว่าสมุทัยแล้วเนี่ยแล้วท่านก็ปล่อยให้จิตทุกชนิดดับไปเองของมันเองแล้วเนี่ยตรงนี้อาสาวะขยายานท่านได้ปรากฏแล้วคือเชื้อแห่งกิเลส ท, ทั้งปวง ไม่มีเหลือแล้วตรงนี้เรียกว่านิโรธหรือนิพพานทันทีคือความดับไปเองของมันเองแห่งทุกทั้งปวงพอนิโรธหรือนิพพานอยู่แล้วเนี่ยจิตทุกชนิดมันจะดับของมันเองอยู่อย่างนั้นตลอดดับรอบอยู่อย่างนั้นตลอดจิตท่านดับอุปโลกท่านดับไปเองในทุกขณะขณะ ปณิธานในการปลดสรพสัตท่านก็ดับไปด้วยซึ่งปัจจุบันต่างก็ตีความออกไปว่าท่านเห็นว่านิพพานนี้เป็นสิ่งที่สรพสัตจะออกตามจบตามดับตามนิพพานตามได้ยากแต่จริงๆแล้วปณิธานในการปลดสรัพสัตท่านดับไปจนมีพรมลงมาอาราธนาท่านโปลดสรพสัตเมื่อท่านลุงทรงเล็งเห็นดังนั้นแล้ว ท่านก็ฟื้นฟูอุปโลกขึ้นมาใหม่เริ่มดำรัตตรัสสอนสนทนาถ่ายทอดศธรรมและตลอดเวลาสี่สิห้าปีพระพุทธองค์ก็ทรงดำเนินไปด้วยอุปโลกเหล่านั้นด้วยท่ามกลางว่างรองรับดับเป็นประธานอยู่อย่างนั้นจนถึงวันที่ท่านดำริดับขันปรินิพานท่านก็ทรงปล่อยให้การอุปโลกทุกอย่างดับปล่อยให้การดำริดับ ปณิธานก็ดับไปด้วยพร้อมๆกันคราวนี้ผมจะมาตอบว่าพระอรหันต์ใช้จิตหรือไม่พระอรหันต์ใช้จิตครับผมเรียกว่าการดำริเมื่อพระอรหันต์มีการดำริใดๆขึ้นมาเพื่อโปรดสรรพสัตว์ท่านก็จะอุปโลกจิตขึ้นมาอย่างอัตโนมัติ แต่จะเป็นอุเบกขาจิตคือจิตที่ไม่ยินดียินร้ายใดๆและไม่ใช่จิตที่ลงสาคัญว่าเป็นตัวเป็นตนด้วยเพราะทุกอย่างแค่สมมติใช้อุปโลกใช้ชั่วครั้งชั่วคราวท่ามกลางว่างรองรับดับเป็นประธานอยู่อย่างนั้นจนถึงวาระที่ท่านละาธาตุขันท่านก็ปล่อยให้การอุปโลกทุกอย่างดับปล่อยให้การดาริดับ ปณิธานก็ดับไปด้วยพร้อมๆกัน